หลังจากแต่งตัวเสร็จพวกเมื่อนักดนตรีสัพพตาละทั้งหลายก็แสดงปฏิพานของตนของตนแก่พระโพธิสัตว์ซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างตอนนั้นเนี่ยนะตอนที่พระโพธิสัตว์แต่งตัวเสร็จแต่งตัวเสร็จแล้วนะพวกนักดนตรีเนี่ยเปลี่ยนการมาเล่นและทุกคนเนี่ยแสดงสุดฝีมื อ, อนะพี่จริงแล้วถ้าหากว่าถ้าหากว่าไปแสดงให้พระราชาองค์อื่นฟังสายพระราชาเหล่านั้นคงจะมีความสุขมาก แต่เนี่ยไปแสดงผิดแปลว่าแสดงดีอะแต่ว่าแสดงเหมือนกับว่าแสดงผิดที่อะนะซึ่งปกติพวกนักแสดงก็แสดงไปพวกสวดชัยมงคลก็สวดไปชยานรินทะค่ะแต่พระจรระขอพระองค์ทรงชน ะ, ะนะขอจงชนะขอจงชนะชนะมีพวกอวยพร อ, อย่างนี้ตลอดพวกพวกที่ถือมงคลมีสุตตะมงคลก็ด้วยหาถ้อยคาสรรเสริญสะดุดีพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆ สรรหาถ้อยคำมาชื่นชมมาสนเสริญมาอวยชัยให้พรให้พระองค์เนี่ยประสบความสาเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปมีแต่ใช่ชนะตลอดไปฝ่ายพระโพธิสัตว์แล้วก็ขึ้นรถที่ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างทีนี้ฝ่ายพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชหลังจากฟังข่าวว่าพระมารดาพระราหุลประสูติโอรสแล้วก็ส่งข่าวไปบอกอนะบอกว่าพวกเจ้าจงแจ้งความยินดีนี้แก่ลูก เขียนเป็นสารเป็นจดหมายเนี่ยไปบอกว่าลูกนะบัดนี้ว่าเจ้ามีลูกแล้วนะเจงก็บอกแม่เป็นไม้เด็ดของพระเจ้าสุดโทธนะวังงานนี้ยังไงไม่บวชแน่เพราะมีลูกแล้วว่างั้นก็ลเลยดีใจรีดไปแจ้งข่าวให้ลูกชายทราบพระโพธิสัตว์เนี่ยพอได้ฟังข่าวนั้นเข้าเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อตัวนี่เหมือนกับว่าสันนรริลิศเลยดีใจมากเรียก ว, ว่าความศีลเนหาเนี่นะ เกิดความรักในลูกขึ้นมาแบบเรียกว่าไม่ปกติเลยอ่ะปกติท่านไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเหมือนกับว่าจิตใจในี่ผิดปกติที่เรียกว่าเสน่หาความรักในลูกไม่มีกําลังมากก็บอกก็เลยพูดว่านะตามสภาพของตัวเองขณะนั้นเลยว่าห่วงนี่เกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกก็เกิดขึ้นแล้วทีนี้พระราชาก็ถามพวกสงสารไปว่าลูกของเราพูดอะไรม้างเมื่อทราบข่าวว่ามีลูกก็ฟังคํานั้นก็ตั้งอย่นั้นก็เลยบอกล้านเราชื่อว่าราหุลกุมาร ห่วงหรือเครื่องผูกเหมือนันนะแต่แล้ก็ผูกอะไรผูกใจพ่ออย่าบวชเหมือนันนะเครื่องผูกใจพ่อเหมนกันห่วงหรือบ่วงตัวนี้ก็คือเครื่องผูกใจพ่อนั่นเองนะให้ติดเลยนะแม้พระโพธิสัตว์ก็ขึ้นรถนั้นแล้วก็เสด็จเข้าสู่พระนคร <c oughs> ด้วยคาราชบริพารหมู่ใหญ่ด้วยสิริโสภาคอันน่าเรื่อนรมยิ่งนักสมัยนั้นนางกษัตริย์นาว่ากีสาโคตมี นะกีสาโคตมีก็คือกีสาเนี่ยโดยศัพท์แลว่าผอมเรียกว่านางโคตมีผู้ผอมผอมในที่นี้ไม่ได้ผอมแบบหน้าเปลี่ยนนะผอมแบบงดงามนั่นเองอพระนางนั้นเป็นคนที่รูปงามด้วยเซรีเป็นผู้ที่มีรูปงามด้วยคุณสมบัติเนี่ยนะก็คือมีความงดงามหลายอย่างอยู่ในตัวพระนางกีสาโคตมีก็เสด็จ ไปตามพื้นปราสาทชั้นบนไปถึงก็ไปเห็นพระรูปเสด็จของพระโพธิสัตว์กําลังเสด็จสู่พระนครนะก็ไปเห็นพระโพธิสัตว์เข้านางกีสาโคตมีนี้เกิดโสมนัตขึ้นมาเองเลยนะดีใจบอกไม่ถูกเลยเห็นพระโพธิสัตว์ที่แต่งอง์ง า, ามแบบนั้นนะเปล่งอุทานว่านิพุตานุนาซามาตานิพุโตนุนาโซปิตานิพุตานุนาซานารียัสายัง อีที่โสปติแปลว่าบุรุษเช่นนี้เป็นบุตรของมารดาผู้ใดมารดาผู้นั้นก็เย็นแน่เย็นหรือดับเนี่ยดับตัวนั้นอ่ะหมายความว่าลูกคนนี้ะนะมีแม่เช่นใดอ่ะนะแม่ผู้นั้นอ่ะดับดับหรือเย็นใจได้แน่แม่คนนั้นดับกิเลสได้แน่แม่คนนั้นดับทุกข์ได้แน่แปลว่าใครที่มีลูกแม่ผู้ใดที่มีลูกเช่นนี้แม่นั้นสบายใจอย่างเดียว แม่ผู้นั้นมีแต่ความสุขอย่างเดียวแม่ผู้นั้นดับทุกข์ได้อย่างเดียวหรือว่าบุตรผู้นี้เนี่ยนะบุตรเนี่ยเป็นบุต ร, hea, รของบิดาใดบิดานั้นก็เย็นใจสบายใจสงบใจหมดความทุกข์ใจอย่างแน่นอนหรือว่าชายผู้นี้เป็นสามีของนารีใดนารีแปลว่านางหรือหญิงใดเนี่ยนะชายผู <may regen inspiration> ้นี้เป็นสามีของหญิงใดหญิงผู้นั้นก็เย็นใจสงบใจสบายใจแ <basics> น่นอนก็แปลว่า พระโพธิสัตว์เนี่ยยามนําความสงบใจเนี่ยนะสงบจากทุกข์ให้แก่แม่สามารถที่จะทําความสงบทุกข์ให้แก่พ่อทําความสงบทุกข์ให้แก่ภรรยาพระโพธิสัตว์นั้นฟังคํานั้นแล้วก็คิดว่าสตรีผู้นี้ให้เราเนี่ยได้ยินถ้อยคําที่น่าฟังอย่างยิ่งด้วยว่าเรากําลังเที่ยวสแสวงหาพระนิพพานนางมาบอกว่านิพพุตานุนาซามาตาเนี่ยนะนิพุตานิพุโตนิพุตาเ น, น, น, นี่แหมคํานี้เพราะมาก ท่านก็เลยคิดต่อไปอีกว่าเออถ้าจะดับถ้าจะดับเนี่ยมันต้องดับที่ไหนมันต้องดับด้วยการดับราคะดับโทสะและดับโมหะเป็นต้นการที่เราจะดับราคะโทสะโมหะทํำยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นี่แหละเป็นวันที่ควรควรที่เราจะลิ้งะละทิ้งคารวะวิสัยออกบวชแสวงหานิพพานนะเพราะฉะนั้นวันนี้แหละบวชได้เลยการันเพื่อที่จะดับราคะโทสะโมหะนะนะเสนาภพงก็เปลื้องแก้วมุกดาหารจากพระส ส่งส่งแก้วมุกดาหารที่ทำความยินดีอย่างยิ่งมีค่านับแสนมอบให้แก่เจ้าหญิงกีสาโคตมีด้วยหมายพระหฤทัยว่าแก้วมุกดาหานี้จะเป็นสักการะส่วนบูชาอาจารย์สำหรับเจ้าหญิงพระองค์นี้เพราะคำที่สองบรรทัพที่แสดงเนี่ยถือว่าเพเราะมากดีมากแสดงดีอะบูชาอาจารย์กันลกันไม่รู้จะเอาอะไรบูชาที่มัน มันดีกว่านี้ในขณะนั้นก็เลยถอดสร้อยคอที่มีราคาหลายแสนเป็นพุทธบูชาเออเป็นบูชาอาจารย์เลยแต่ว่าฝ่ายพนที่รับแก้วมุกดาหารก็คิดว่าสิทธะกุมาเนี่ยมีใจปฏิพัติแปลว่ามีใจผูกพันในเราก็เลยส่งเครื่องบรรณาการมาให้เราก็เลยคิดว่าเขารักเรานะเนี่ยเขาเลยให้เครื่องประดับเรามากว่ากันคล้ายๆกับว่าไม้มั่นปั้นใจเอาไว้คิดคนละอย่างเนี่ยนะกิริยาเดียวกันอีกฝ่ายนึงคิดอย่างอีกฝ่ายหนึ่งคิดอย่าง ฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นเสด็จขึ้นปราสาทที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่งอนนะด้วยเหตุให้เกิดเสด็จอย่างใหญ่บันทมเหนือพระที่บันทมทันใดนั้นเองสตรีรุ่นรุ่ น, นทั้งหลายผู้มีดวงหน้างามเสมือนดวงจันทร์เต็มดวงมีริมฝีปากแดงเสมือนผลตำลึงสุกมีฟันขาวสะอาดเรียบมีระเบียบไม่มีร่องมีดวงตาเขียวครามมีมวยผมมีคิว้วโก่งเขียวจัดเหมือนดอกอันชัน นะมีเต้าที่เอิบอิ่มเสมอเป็นระเบียบนะก็อ่านเอาเละกันที่เหลือนะสรุปว่าทําความรื่นรมมากนะก็คือเอาแต่คนสวยวังนั้นเถอะมามาฟ้อนรําขับร้องให้พระมหาบุรุษเนี่ยรื่นเริงประกอบการฟ้อนรําขับร้องบรรเลงเพลงเรียกว่าสุดฝีมือสุดความสามารถนะนะพระโพธิสัตว์ไม่ยินดีอย่างยิ่งแปลว่าเบื่อมากเลยนะรำ แปลว่าปกติเนี่ยคนที่ฟังดนตรีเนี่ยจะฟังด้วยความเพลิดเพลินแต่วันนั้นเป็นวันที่รําคาญที่สุดเป็นวันที่ฟังเพลงแล้วรําคาญมากเลยนะคือคือแบบอุย้ยนนร้องอ่ะนะจริงอ่ะถ้าเป็นแบบเป็นพระเด็จการอะไรก็บอกว่าเงยเงียบไปให้ไกลไปพ้น์ไปอะไรเงี้ยนะแต่ท่านก็ก็ก็ข่มใจไปอย่างนั้น ท, ทั้งที่รําคาญมากเพราะมีจิตเหนื่อยหน่ายในกิเลสเบื่อเต็มที่อยู่แล้วเพราะวัตถูกพวกนี้มันเป็นที่ตั้งแห่ง ราคะโทสะและโมหะเพราะฉะนั้นใจเนี่ยเห็นโทษของวัฏตะเต็มที่เห็นโทษของความแก่ความเจ็บความตายอยู่แล้วเนี่ยนะซิ้งพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่าคิดนะว่าท่านฉลาดน้อยกว่าพระสารีบุตรพระสารีบุต ร, รเห็นพวกพวกฟ้อนรำท่านคิดยังไงบอกโอ้ยพวกคนร้องรำเนี่ยนะอีกร้อยปีมจะมาร้องมารำอยู่ตรงนี้หรือเปล่าพวกคนดูอีกร้อยปีจะมาร้องมารำมาดูอยู่ตรงนี้ไมมันเดียวไม่ถึงร้อยปีพวกนี้ก็ตายกันหมดแล้วนะพระพระโพธิสัตว์เนี่ยยังไงท่านก็คิดได้กว่านั้นอยู่แล้วเนี่ยนะ แต่แล้วก็เบื่อเต็มทีแล้วก็เลยรำคาญเต็มทีก็ทำงานดีอ่ะแล้วจะออกไปก็ไม่ได้ใช่ไหมครับหลับอย่างเดียวก็เลยหลับไปสักครู่หนึ่งพวกสตรีเหล่านั้นเห็นพระโพธิสัตว์คิดว่าพวกเราเนี่ยนะที่ฟ้อนรำเนี่ยก็เพื่อประโยชน์แก่พระโพธิสัตว์บัดนี้เนี่ยนะพระโพธิสัตว์หลับไปแล้วเราแสดงให้เหนื่อยทําไมนะอุตสาห์แสดงให้แม้ต้องการให้พระโพธิสัตว์ได้ดูพระโพธิสัตว์ไม่ได้ดูอะไรเลยท่านหลับไปแล้วอย่างเงี้ยนะ แม่งเศร้าใจเลยมั้งไงนะคนแสดงทําไงดีอยทูดทาให้ลําบากทําไมก็เลยนอนทับดนตรีนั่นแหละนั่งมั่งนอนมั่งหลับไปเรื่อยประทีปน้ํามันหอมก็ยังติดอยู่นั่นแหละก็เรียกว่าเทียนหอมทูบหอมมั็นต้นก็ยังกลิ่นหอมหอมแบบนั้นนะนะแต่ของเราเนื่อ ง, องจากใช้ทูบในงานศพมากถ้าได้กลิ่นทูบในชักทําใจไม่ก็ได้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่นี่หมายถึงว่าทูบแบบสมัยก่อนเนี่ยของหอมสมัยก่อนเนี่ยเขาไว้ในงานมงคลกัน พระโพ ธ, ธิสัตว์นั้นพอตื่นบรรทมก็ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่เนื้อหลังพระที่บรรทมก็เรียกว่าพอหลับไปสนิทเนี่ยนะพวกนั้นพอพวกนั้นหลับไปด้วยท่านก็ตื่นเห็นสตรีเหล่านั้นนอนทับเครื่องดนตรีน้ําลายไหลมีแก้มเนื้อตัวนี้สกรปรกบางพวกก็กัดฟันบางพวกก็นอนกรนบางพวกกลละเมอบางพวกก็อ้าปากผ้านุ่งเนี่ยหลุดไปหมด น, นะปรากฏทีค่คือท่านมองว่ากลุหน้ากลัวมากๆเลยนะ คือตามลักษณะนอนหลับเนี่ยก็เหมือนอะไรเหมือนป่าช้ากรผีดิบมางั้นเพื่อพอเห็นอาการแปลกๆเหล่านั้นใจก็ยิ่งเบื่อในในสิ่งที่บอกที่ว่าสิ่งเหล่าใดที่คนบอกว่าที่น่ายินดีอย่างยิ่งโอ้ยท่านก็เบื่อเต็มทีแล้วเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้นะก็เรียกว่าความอึดอัดเหมือนกับถูกขังอยู่ในห้องขังบอกว่าพื้นปราสาทที่ประดับตกแต่งแม้งดงาม ท่านมองว่าบินที่ตกแต่งนั้น่ะงามมากแต่ก็ปรากฏในสายตาพระโพธิสัตว์ว่าสกปรกจริงๆพื้นที่หลับที่นอนนปกติมันสะอาดขัดเยียมหมดอ่ะนะบอกมันปฏิกูลมากเลยนะสกปรกมากเหมือนอะไรเหมือนป่าช้าผีดิบที่เต็มไปด้วยซากศพสรีระของคนตายที่เขาทอดทิ้งเอาไว้เพราะฉะนั้นมองเห็นพบสามเสมือนถูกไฟไหมพบสามนี่ถูกไฟไหมไฟราคะโทสะโมหะไฟคือชาชารามรณะเป็นต้น เขาไหม้แล้วก็เลยพร่ำบนว่าวุ่นวายจริงหนาะขัดข้องจริงเนอสังขารเนี่ยมันวุ่นวายจริงๆขัดข้องจริงๆคือท่านมองว่าสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนายน่ า, นาอึดอัดน่าชิงชงังเพราะอาเกียนไปด้วยชาติชราและมรณะและเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะท่านมองเห็นขันห้ามองเห็นภพสามเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนายวุ่นวายขัดข้องใจของพระองค์ก็น้อมไปเพื่อบรรพชาอย่างยิ่ง เนคขมะบัวเธอบวเธอนะบอกตัวเองนั่นแหละพระองค์ก็ดำเนินว่าวันนี้นี่แหละควรที่เราจะออกมหาพิเนศกรมเสร็จแล้วพระองค์ก็ลุกจากที่บรรทมเสด็จเข้าไปใกล้ประตูตรัสถามว่าใครอยู่ที่นั่นก็นายฉันนะที่เป็นอมตะเนี่ยนะก็บอกนอนเรียกว่าปกติก็นอนศีรษะใกล้ธรณีประตูเนี่ยนะหัวเนี่ยใกล้ใกล้ธรณีประตูอ่ะทูลว่าข้าประบาดชนะพระลูกเจ้าครั้งนั้นพระมหาบุรุษ ก, ก็ตรัสว่าวันนี้ เราประสงค์จะออกมหาพิเนสกรลมคือจะออกบวชเจ้าอย่าบอกใครนะเตรียมสินทบฝีฝีเท้าเร็วจัดเอาไว้ให้เราตัวหนึ่งนายชนะก็ทูลรับพระดำรัสถือเครื่องประกอบมา้าเนี่ยไปยังโรงมา้าพบม้าฝีเท้าดีชื่อว่ากันเกะที่สามารถย่ายีฆ่าศึกได้ยืนอยู่นะผู้มีภาคอันน่ารื่นรมยอย่างยิ่งภายใต้เพดานแผ่นดอกมะลิเมื่อประทีบน้ํามันหอมอย่างลุกโพล่งอยู่ก็คิดว่าวันนี้ เราควรเตรียมม้ามงคลตัวนี้เพื่อให้พระลูกเจ้าออกอภิเิษฐกรมออกบวชคือเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าท่านบวชท่านก็จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ขัดคอพระโพธิสัตว์อะไรเสร็จแล้วก็เตรียมม้าคันธากะไว้ม้าคันธากะนั้นเมื่อถูกจัดเตรียมก็รู้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นการจัดเตรียมที่หนักนะักไม่เหมือนการจัดเตรียมในเวลาเสด็จไปเล่นในสวนวันอื่นๆเพราะฉะนั้นวันนี้พระลูกเจ้าจะออกบวชในวันสงสัยเลยเนี่ยนะ คือมาเนี่ยเขาแสดงว่ามาเป็นมาที่รู้คือบางคนเนี่ยนะคงจะตั้งความปรารถนามาเป็นมา้าตั้งความปรารถนาขอให้ได้ไปเป็นมารับใช้พระโพธิสัตว์ให้ท่านได้ออกบวชนะบางคนเนี่ยทาบุญแนละ้วตั้งความปรารถนาคล้ายๆแบบนี้จริงๆนะขอเรียกว่าขอเป็นทารับใช้จะอยู่ในฐานะใดก็ช่างเถอะขอให้ได้รับใช้ผู้มีบุญแบบนั้นเพราะนั้นท่านก็เลยอะไรเรียกว่าเหมือนกับว่าอธิษฐานมาเกิดเป็นมาเพื่อจะได้รับใช้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะ เสร็จแล้วจากนั้นม้าคันตะกาก็มีใจยินดีร้องลั่นนะว่าวันนี้จะได้สําเร็จความตั้งใจของท่านที่จะมาเป็นม้าออกบวชให้พระโพธิสัตว์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยร้องดังลั่นเสียงร้องลั่นเนี่ยนะปกติแล้วเสียงนั้นะตังวานไปทั่วกรุงกบิลพัฒแต่เทวดาก็ปิดกั้นไม่ให้ใครได้ยินเสียงเสียงม้าดังสนั่นไปหมดนะปกติคนต้องตื่นหมดแหละแต่ว่าเทวดาก็ช่วยกันคือเทวดานี่เขาลุ้นกันมากเลยนะ เทวดาเนี่ยลุ้นมาทำยังไงจะได้ออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทสักสักทีหนึ่งอะนะพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้เราจะดูลูกเสียก่อนคือปกติแล้วพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องเห็นหน้าลูกก่อนแล้วจึงออกบวชเนี่ยนะมันก็จะดูหน้าลูกของเราเสียก่อนเหมือนกันจากที่นั้นก็ไปประทับยืนที่ไปยังที่ประทับอยู่ของพระมารดาพระราหุล องก็เปิดประตูห้องขณะนั้นประทีพนะ้ำมันหอมในห้องก็ยังติดพปรงอยู่มารดาพระราหุลบันทมวางพระหัตไว้เหนือกระหม่อมคือเรกว่าพาดหัวไว้บนเอ่อาดแขนไว้บนศีรษะของพระโอรสเนี่ยนะนะบนที่บันทมที่เกลื่อนกลนไปด้วยดอกมะลิเป็นต้นนะอะัมพนาพระโพธิสัตว์วางพระบาทที่ธรณีประตูประทับยืนมองดูก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเราจะยกพระหัต คือยกแขนของพระเทวีออกไปแล้วจับลูกเราพระเทวีก็จะตื่นเมื่อเป็นดังนั้นอภิเนศกรมของเราก็จะเป็นอันตรายเนี่ยนะถ้าหากว่าพระนางยโสธราพิมพาตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องบวชกันแล้วคุยกันอยู่นั่นแหละนะจะตัดใจไปบวชอย่างไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาดูลูกใหม่แล้วก็เห็นแนะ้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่าเป็นพระพุทธเจ้านะจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ ลงจากพื้นปราสาทเสด็จเข้าไปยังม้าตรัสว่าพ่อกันตกะวันนี้เจ้าจะต้องให้เราข้ามไปราตรีหนึ่งเราอาศัยเจ้าแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจากยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอคะหมายว่ามีเป้าหมายที่ออกบวชนี่ออกบวชไปเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ตรัสรู้ตามองค์ก็กระโดดขึ้นหลังม้ากันตกะม้ากันตกะนั้นโดยส่วนยาวนับตั้งแต่คอเนี่ยนะ พอถึงหางเนี่ยประมาณ18ศอกประกอบด้วยส่วนสูงพอเหมาะกับส่วนยาวนั้นถึงพร้อมด้วยรูปเป็นม้าที่มีสีเทาและกำลังอันเลิศดขาวปลอดสีสันหน้าดูเหมือนสังขัดจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ประทับนั่งอยู่บนหลังมา้าทรงเนี่ยนะก็ปลดให้นายชนนะจับหางม้าถึงประตูใหญ่แห่งพระนครตอนครึ่งคืนที่จริงก็เอ่อตอนครึ่งคืนเนี่ยก็หมายว่าเที่ยงคืนเนี่ยก็มาถึงประตู ถ้าถ้าไปที่กบิลพัทเขาบอกว่าเนี่ยประตูพระโพธิสัตว์ออกบวชเขาบกงั้นไงครั้งนั้นแต่ก่อนพระราชาเนี่ยจัดให้บุรุษไว้คอยเปิดประตูบานประตูเนี่ยนะประตูใหญ่มากต้องใช้คนพันหนึ่งแนมะ้จึงจะเปิดได้ปิดได้ก็ถือว่าพระโพธิสัตว์จะได้ไม่เปิดออกหนีออกบวชได้นะแล้วก็ตั้งกองรักษาการณบานประตูนั้นได้ยินว่าพระโพธิสัตว์นั้นทรงกําลังเท่ากับบุรุษจํานวนแสนโกดเท่ากับช้างจํานวนพันโกดเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่า ถ้าหาว่าประตูไม่ยอมเปิดวันนี้นี่แหละเรานั่งที่หลังกันตาก้าจะให้นายช น, นะจับหางเอาสองขาเนี่ยนะหนีบกันตาก้าแล้วก็กระโดดข้ามกำแพง18ศอกไปพร้อมกับนายช น, นะก็คือเว้ยเรื่องแค่นี้เล็กน้อยเดี๋ยวเขโดดข้ามไปก็ได้ไมเห็นยากอะไรเลยเพราะเรี่ยวแรงคนขนาดนั้นแล้วนะส่วนนายช น, นะคิดว่าถ้าหาว่าประตูไม่เปิดเราก็จะเอาพระลูกเจ้าเนี่ยขึ้นคอแล้วก็เวียงม้ากันตาก้าด้วยมือขวาหนีบไว้ที่รักแร้แล้วก็กระโดดข้ามกำแพงไปให้ได้ แต่ละคนนี่เก่งๆแรงดีทั้งนั้นเลยนะฝ่ายม้า ก, กันตก้าก็คิดว่าเมื่อประตูไม่เปิดเราก็จกับประดิษฐานท่านลูกเจ้าตามที่ประทับนั่งนี่แหละนก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็กระโดดไปพร้อมกับนายฉันนะที่จับถางเอาไว้แล้วก็กระโดดข้ามกำแพงไปทั้งสามคนคิดเหมือนกันสําหรับนะไม่ได้ได้แต่คิดนะไม่ได้ทำหรอกเพราะเทวดาที่สิงอยู่ที่ประตูก็ช่วยกันเปิดประตูใหญ่ให้ขณะ น, นั้นเนี่ยนะครับ พญามารก็เข้ามาแล้วมารผู้ขัดขวางเนี่ยนะเขาถือว่าเขาเป็นอย่างที่สุดมีผู้ที่จะออกนอกอาณาจักรของเขาแล้วก็คือหมายว่าถ้าตรัสรุปโลกุตระธรรมก็คือเขาเรียกว่าพ้นเขตพ้นวิสัยของเขาพวกนี้หาทางออกจากวิสัยของเราคือเพราะว่าบรรดาผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกไงไหมพร้อมทั้งเทวลโลกก็คือพญามาร ก็คือหมายว่าไม่ต้องการให้ใครเนี่ยหลุดออกจอกนอกวงโคจร น, นอกจากการควบคุมของตัวเองนะคือยังยังจะอยากมีอำนาจครอบคลุมไปหมดถ้าหากว่าเขาตรัสรู้โลกุตระรมไปแล้วก็ถือว่าพน้นพ้นวิสัยพ้นอำนาจของตนก็เลยคิดว่าจากให้พระโพธิสัตว์กลับไปยืนอยู่กลางอากาศนั่นแหละบอกว่ามานิขมะมหาวีระอิโตเตสตเม νε, ี่เนทิพันตุจักกรัตนังัตาปาตุภวิสติ นะไปเรียกเพราะเลยนะท่านมหาวีราคือพระองค์ผู้ก ล, กล้ากล้าคาดนี่คนกล้าอย่าออกบวทเลยนะเพราะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีกเจวันจั ก, กรรัตนทิพย์จะปรากฏแก่ท่านแน่นอนท่านเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิหลังจากนี้อีกเจดวันและท่านก็จะครองราชแห่งทวีปทั้งสี่มีทวีปน้อยสองพันเบบมริวานกลับเชิดเทอท่านผู้นิรุต กลับไปครองจักรพรรดิสมบัติเป็นผู้ยิ่งใหญ่เธอพระมหาบรุษก็ถามว่าท่านเป็นใครก็บอกว่าเราเนี่ยคือผู้มีอำนาจเขาบอกเขามีอำนาจที่สุดสั่งการอะไรก็ได้อำนาจเขาใหญ่มากพระมหาบรุษก็บอกว่าชาะมาหั่งมหาราชไมหังจักกัสสดสัมภวังอนัตติโกหั่งรัชเะคัะตะตวังมารมาอิท้ดูก่อนมหาราชเรียกเพราะเลยมหาราชก็เรียกว่าเทวดานเนี่ยนะ มาค่าแต่เท้ามหาราชเราเนี่ยรู้จักรัตนะว่าจะปรากฏแก่เราเชื่อนะว่าจริงจริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละว่าเราจะได้เป็นจักรพรรดิแต่เราไม่ต้องการด้วยจักรพรรดิราษไปเสียเถิดมารนไปเสียเถิดมารมารแปลว่าผู้ขัดขวางในการสร้างบุญเนี่ยนะไปเสถียอย่ามาในที่นี้เลยนะถ้าจะให้ถ้าจะบอกข่าวดีเหล่านี้ไปบอกแกผู้ต้องการเถอะอย่าบอกเราเลยไม่มีประโยชน์ สกลังทาสะสหัสสัมปิโลกทธาตมะหั่งปณ ะ, ะอุณาเดตวาพระวิสามิพุทโธโลเกวินายโกเราจักเป็นแต่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างเดียวจกักรพรรดิไม่เอาเราจากักรพรรดิทางโลกไม่เอาเราจะเป็นแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเป็นผู้นำพิเศษในโลกบรลลูลั่นไปทั่วหมื่นโลกธาตุานะเอาตำแหน่งอื่นกับบรรลุนี่เอาไว้ไหนลุงเรื่อง บรรลุตอนหลังก็ได้นะจัดแจงธุระให้เสร็จก่อนว่างันนะแจงเสร็จหรือยังเราไม่ทราบนีได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นัก็ไม่รู้พราะว่าเดี๋ยวเกาอันนี้แหละเดี๋ยวก็จัดธุระให้เสร็จก่อนตรงกลางว่างันนะขอตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าว่างั้นเอกอยังจัดงานไม่เสร็จอะไรนะยังดูแล ง, งานไม่ค่อยเรียบร้อยว่างนันไม่รู้จะเรียบวันไหนก็ไม่ทราบนี่แหละไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอาอะไรเป็นประมาณว่าเรียบร้อยเนี่ยบอกเอาทวารตาเป็นประมาณวุ้ยเดี๋ยวก็ขัดตาเดี๋ยวว่าจัดใหม่นะ เอาทวารหูเป็นประมาณเอ๊ะมันก็ขัดหูจัดใหม่ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายถ้าจัดอีกก็เดี๋ยวก็จัดใหม่เอาใจเป็นประมาณเอาใจดวงไหนคราวนี้หมายใจนี่มันยากเงี้ยนะเอาใจโทสะมันก็ผิดโลภะเอาใจโลภะมันก็ขัดกับโทสะเอาใจโลภะโทสะโมหะมันก็เงาอย่านั้นนะเอาใจโน่นผิดใจนี่ไม่รู้จะเอาอะไรนะนะมันก็ต้องเรียกว่าคัดสรรหาสาระให้มันพบเหมือนกันเอ๊ะสารอะไรทั้งหมดนี่มันคืออะไรกันแน่นะนะ นีพระโพธิสัตว์ก็มีความคิดว่าไ ม, ไม่ไม่เป็นอย่างอื่นทั้งนั้นแหละขอเป็นแต่พระพู้แต่เจ้าเป็นผู้นําชั้นพิเศษพาโลกพาหมื่นโล ก, กธาตุเนี่ยนะให้พ้นจากชาติชาราและมรณะให้พ้นจากราคะโทสะและโมหะสามารถบรรลุลั่นได้ทั่วหมื่นโล ก, กธาตุนะมานั้นก็ไม่รู้จะห้ามว่ายังไงนะแม้ใจเด็ดเหลือเกินนะแต่ว่าพูดแบบภาษาเราบอกมานก็บอกไม่มีอะไรจะพูดต่ออีกเลยนะ แม่เจอคําของพระโพธิสัตว์สองคาถาแค่นั้นเนี่ฟังแล้วก็โอ้กลับบ้านดีกว่าเวลาที่พระโพธิสัตว์ออกบวชนั้นพระชนมายุ ข, ของพระองค์29่สิพรรษาพระโพธิสัตว์นั้นทิ้งจกกักรวรรดิราชที่ตกอยู่ในเงื้อมพระหัตไม่เยื่อใหญ่เสมือนก้อนน้ำลายใครว่าใครเคยถมสเลตออกไปไหมเพราว่าโอเสมหะละน้ําลายเต็มปากเนี่ยนะซึ่งเสมหะดื่มไปแล้วรู้สึกว่าแหมเชื่อโรคทั้งนั้นเลยนะ ก็คายทิ้งโดยไม่อะไรฉันใดพระองค์ก็เสด็จออกมหาพิเนสกรมออกบวชจากนิเวศอันเป็นสิริรนิวาทแห่งจักรพรรดิวัตเนี่ยนะเมื่อดาวนักขัดอุตราอาสาระาเพนเดือนอาสาระาก็คือวันเพ่เดือนอเดือนเพนเดือน8ปเป็นวันเดียวกันเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะปฏิสนธิในคันพระมาณดา ห, าหนึ่งออกบวชหนึ่ง แล้วก็แสดงธรรมาจากหนึ่งวันเดียวกันก็คือวันเพนอาสาลหะก็คือวันเพนเดือน8นั่นเองกรงก็เสด็จออกจากพระนครได้มีพระประสงค์สุดท้ายเนี่ยนะก่อนที่จะออกบวชจริงก็อยากจะขอดูเมืองก่อนขอดูเมืองเมืองที่ตัวเองเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะในฐานะคารวาดในลำดับแห่งความตรึกนั่นเองภูมิประเทศนั้นก็แปรเปลี่ยนเหมือนกระจักแป้นที่หมุนทาภาชนะดินแก่ พระองค์พระโพธิสัตว์ก็ยืนอยู่อย่างเดิมทอดพระเนตรกรงกบิลพัดกระตุ้นม้ากันระกะให้บ่ายหน้าไปตามทางที่พึงไปส่วนสถานที่ที่ดูเจดีตรงนั้นก็เรียกว่าเจดี JD, สถานชื่อว่ากันตกะนิวัตตนะเป็นสถานที่ม้ากันตกะหันหน้ากลับณภูมิประเทศนั้นพระองค์ก็เสด็จไปด้วยสักการะอย่างยิ่งใหญ่โดยเหตุให้เกิดเดสด็จอูลานแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่เทวดาเนี่ยนะ บูชาด้วยเครื่องสักการะดอกไม้ของหอมมากเลยนะขนาดคนบวชไม่กี่วันเตรียมจะสึกขนาดนั้นคนก็ยังแห่แหนรอบโบสถรอบกำแพงไหมนี่แหมออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคนจะไปแห่เทวดาทั้งหลายเนี่ยจะมาร่วมแห่มาร่วมดีใจมาร่วมอนุโมกนาขนาดไหนนะบางทีบวชแค่พรรษาเดียวนี้เห็แหมไปส่งไปแห่ไปยังกระโ บ, บดไม่สึกตลอดชาตินะนะอย่างเหมว่าจะบวชต่ออีก3ชาติกว่า น, นะไอ้พวกแห่พวกจัดครัวนี่ยังถ้วยล้างชามยังไม่เสร็จเลยหน้างี้สึกมานะนะ ไม่ได้เยอะผมยังไม่ได้ตั้งโกนเลยด้วยศึกมาแล้วเนี่ยนะแค่จะมาช่วยเก็บล้องนั่นแหละบางทีไอ้พวกที่มาส่งงานบวชยังไม่ได้กลับบ้านเลยที่บวชในศึกไปแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้จัดงานยังว่าไม่ศึกไม่หาไม่ลางั้นแหละแล้วก็อย่างว่านะสัพเพสตาเวร า, วราโหนตุจะว่าอะไรมากเลยสําหรับพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อโปรองคกําลังเสด็จไปเทวดาทั้งหลายก็ชูคบเพลิงจํานวนคบเพลิงจำนวนประมาณหกล้านดวง ไปข้างหน้าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพวกถือประทีปเนี่ยนะนำหน้าส่วนข้างหลังก็มีเทวดาถือคบเพลิงอีกประมาณหล้านดวงเหมือนกันข้างขวาก็หล้านดวงข้างซ้ายก็หล้านดวงเอเนะใช้เท่าไหรนะ่ละยี่ล้านเนี่ยนะเทวดาพวกอื่นๆอีกก็สักการะด้วยพวงมาลัยดอกไม้ของหอมจุนจันทร์พั จ, จามรและธงผ้าห้อมล้อมสังคีตะทิบและดนตรีเป็นอันมาก ก็ได้บันเลงขึ้นก็ได้บันเลงขึ้นคือที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเพราะท่านเหล่านี้รู้แล้วว่าผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สามารถยังประโยชน์ในการบรรลุมรรคผลให้พผูเนี้น้อมไปนะท่านลุ้นตั้งแต่ไหนมาลุ้นตั้งแต่โนูนะ้นไปขอให้ท่านอาราธนาให้ท่านมาเกิดในครันพระมารดาลุ้นตั้งแต่ตอนออกจากคลอดจากพระคันลุ้นตอนออกบวชเนี่ยหมาเพระออกบวชเนี่ยดีใจมากใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยนะเราคล้ายๆว่าท่านานั้นก็คิดว่า ถ้าท่านประกาศทำมาจัรเราได้บรรลุแน่ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะก็เลยดีใจแห่แหนกันไม่มีความสุขมากและเทวดาพวกอื่นๆอีกก็สักการะด้วยพวงมาลัยดอกไม้ของหอมจุนใจเป็นต้น น, นะทั้งพัดจามนทงผ้าห้อมล้อมสังคีตะทิพและดนตรีเป็นอันมากก็บเบล่งได้เองพระโพธิสัตวานั้นไปด้วยเหตุที่ให้เกิดสิรยอยงนี้เสด็จหนทาง30 ส, สโยตผ่านไปสามราชอาณาจักรใหญ่ ราตรีเดียวเท่านั้นก็ถึงริมฝั่งแม่น้ําอะโนมาแสดงว่าแม่น้ําอะโนมากับเมืองราชชครึกไม่ไกลกันเท่าไหร่นนะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ประทับยืนนะริมฝั่งแม่น้ําพระองค์ก็ตรัสถามนายชนะว่าแม่น้ำเนี่ยชื่ออะไรชนะก็บอกว่านี้แม่น้ําอะโนมาพระองค์ก็ใช้ส้นพระบาทกระแทกม้าให้สัญญาณแก่มา้าม้าก็กระโดดไปยืนอยู่ริมฝัง่ง แห่งแม่น้ำอโนมาซึ่งกว้างแปดลูกรพาพระโพธิสัตว์ก็เสด็จลงจากหลังม้าแล้วข้ามฝากไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนพระองค์ก็ประทับยืนที่หาดทรายเสมือนกองเก้วมุกดาเรียกนายั น, นะมาสั่งว่าฉันซ้ายั น, นะเจ้าจงนำอาภรณ์ของเรากลับม้ากันตกะกลับไปส่วนเราจะบวชนายฉันนะก็ทูลว่าข้าแต่แม้ข้าพระบาทก็จะบวชพระพุทธเจ้าข้า พระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าเจ้ายังบวชไม่ได้เจ้าจะต้องกลับไปพระโพธิสัตว์ห้ามอยู่สามครั้งเสร็จแล้วพง์ก็มอบอาภรณ์เครื่องทรงของกษัตริย์และม้าคันธกะก็คิดว่าฝ่ายม้านะเขาคิดว่าผมของเราอย่างนี้อขออภัยพงษ์ก็มอบอาภรณ์และม้าคันธกะยกให้แก่นายฉันนะไปพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าผมของเราอย่างนี้ไม่เหมาะแก่สมณนะจำเราจับตัดผมเหล่านั้นด้วยพระขันพงษ์ก็จับพระขันอันคมติบด้วยพระหัตต์ข้างขวา รวบพระจุลาคือเส้นเกษาพร้อมทั้งเมาลีมวยผมด้วยพระหัตถ์ข้างสายแล้วก็ตัดเส้นพระเกษาเหลือสององคุรีแล้วก็เวียนขวาเนี่ยนะเวียนขวาแบบคล้ายก้นหอยอย่างนั้นติดพระเศียรพระเกษาเหล่านั้นก็มีประมาณเท่านั้นจนตลอดพระชนชีพเกษานี่หยุดอย่างนั้นตลอดไม่ต้องโกนอีกเลยเนี่ยหนะลังจากนั้นไม่มีวันปลงผมพระพุทธเจ้าไม่มีส่วนพระมัศุมสุก็คือหนวดเคราเป็นต้นเนี่ยนะ ก็พอเหมาะประมาณแก่พระเกษานั้นแต่พระองค์ไม่มีกิจที่จะต้องปรงพระเกษาและพระมสัสสุหนวดเขาอีกต่อไปเลยพระโพธิสัตว์นั้นทรงทรงรวบจุลามณีพร้อมด้วยเมาลีอธิษฐานว่าถ้าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าซ้ายผมนี้ขอให้ตั้งอยู่ในอากาศถ้าจะได้พ้าอย่างไงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจงหล่นลงเนื้อพื้นดิน น, นะแล้วก็เหวี่ยงขึ้นอธิฐานเลย ถ้าหากว่าลอยต่อไปเหมือนว่าวสูงขึ้นในที่สุดก็ไม่ตกลงมาเนี่ยนะออก็เชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าผมตกลงมาใสดินนะไม่ได้บรรลุหรอกท่านก็เสี่ยงทายหลายเรื่องเหมือนกันนะถ้าเกิดผมตกลงใสหมดกําลังใจหมดนะแล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศกรรมพัจลามณีนั้นไประยะประมาณโยตหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่ในอากาศ mm. ก็เหวี่ยงขึ้นอนะ่ะท่านเหวี่ยงขึ้นสูงมากเลยนะเหวี่ยงขึ้นไปประมาณ16กิโมแล้วก็ตั้งอยู่ในอากาศเท้าสกะเทวราชตรวจ ด, ดูด้วยทิประจักสุ พระองค์ก็เอาพระ อ, อบรัตนะประมาณโยอดหนึ่งรับเอากรรมพระจุรามณีนั้นแล้วก็สถาปนาเป็นจุรามณีเจดีสถานสําเร็จด้วยรัตนะเจ็ประการขนาดสามยอดสร้างเจดีย์ใหญ่3ามยอดในสวรรค์ชั้นดาวดึงดังที่กล่าวกันว่าพระผู้เป็นพระผู้เป็นบุคคลผู้เลิศทรงตัดพระเมารีผมเนี่ยนะที่อบด้วยของหอมอย่างดีทรงเหวี่ยงขึ้นไปสู่อากาศท้าวาสวะสหัสไนทรงเอาพระ อ, อบทอง อย่างดีรับเอาไว้ด้วยเสียงกล้าวเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ก็คิดต่อไปอีกว่าผ้ากาสีเหล่านี้มีค่ามากไม่ก็ไม่เหมาะแก่สมณะสำหรับเราเนี่ยนะคติการะมหาพรมเป็นสหายเก่าครั้งพระพุทธเจ้ากัส ป, ปะของพระโพธิสัตว์เพื่อนเก่านีก็คิดว่ามิตรภาพที่ไม่ถึงความพี่น่าตลอดพุทธรรดวงหนึง่งคือคติการะก็ยังแบบท่านในความเป็นเพื่อนมีเมตตาต่อเพื่อนยังเหมือนเดิม พุทธันดรนหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขาเป็นพรหมนะอายุเขายืนนี่บอกว่าวันนี้สหายของเราออกอภินิษสกมจำเราจักพื้สมณะบริขารไปเพื่อสหายนั้นก็เลยเอาบริขาร8ดไปถวายบริขาร8ก็คือติจีวรันจปะปัตโตจะวาสีสุจีจะพันธนังเนี่ยนะเป็นต้นก็คือบริขาร8มีตรายจีวรบาดมีดเข็มรัดปะคบและผ้ากรองน้าเป็นของพิสุผู้ประกอบด้วย ความเพียรเนี่ยนะผู้ประกอบด้วยยุตตะโยคัสสะภิคุโนก็คือผู้ประกอบในสมถะและวิปัสสนาเครื่องบริขารของผู้เจริญสมถะและวิปัสสนาพระมหาบุรุษทรงครองผ้าธงชายแห่งผ้าฐหันถือเพศบรรประชาสูงสุดแล้วก็เหวี่ยงคู่ผ้าผ้านุ่งผ้าห่มไปในอากาศเท้ามหาพรหมก็รับเอาผ้าคู่นั้นแล้วก็สร้างเจดีสําเร็จด้วยรัตนะ12โยตในพรหมโลกบรรจุคู่ผ้านั้นเอาไว้ข้างใน ครังนั้นพระโพธิสัตว์ก็ตรัสกับนายฉันนะว่าฉันนะเจ้าจงบอกแก่พระชนกชนนีตามคําของเราว่าเราสบายดีแล้วก็ส่งกลับไปจากนั้นนายฉันนะก็ถวายบังคมพระมหาบุรุษกระทำประทักษิณแล้วหลีบไปส่วนมา้ากันกะยืนฟังคําของพระโพธิสัตว์ผู้ปรึกษาอยู่กับนายฉันนะรู้ว่าบัดนี้เราจะไม่เห็นนายของเราอีกพอละสายตาพระมหาบุรุษไม่อาจทนวิปรโยคทุกข์ได้เสียใจยอย่างลึกซึ้งเท่านั้นหัวใจแตกตาย แต่ก็หัวใจก็แตกนะนะหมายความว่าใจของท่านเนี่ยสิความเสียใจนั้นเป็นหเหตุให้ร่างกายเนี่ยสลายแต่ว่าก่อนตายจริงๆท่านก็เลื่อมสายในพระโพธิสัตว์ก็จุติแล้วเกิดในสวรรค์ไม่ใช่เสียใจแล้วเกิดในสวรรค์ได้นะหมายความว่าตอนแรกเสียใจเป็นเหตุให้ร่างกายเนี่ยตายแต่แล่าก่อนจะตายจริงจิตของท่านก็เป็นกุศลก็เลยไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เกิดในดาวดึงเป็นเทพผู้บุตรชื่อว่ากันตกะนะเป็น เป็น อ, อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงการอุบัติของกันตะากะาเทพบุตรนั้นก็ถือเอาตามอัตกถาวิมานวัตถุเนี่ยนะก็มีเรื่องราวอยู่ในวิมานวัตถุแต่ตอนหลังเนี่ยท่านก็เป็นพระโสดาบันก็ไปเป็นเทพบุตรตอนหลังก็ลงมาฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนความโศกก็ได้มีแก่พระชนนะเป็นครั้งที่หนึ่งเพราะความตายของม้ากันตากะนายชนนะถูกความโศกครั้งที่สองเบียดเบียนก็ร้องให้ i, ข้ามครวญ เดินทางไปด้วยความทุกข์เลยนะทุกครั้งแรกก็เสียใจมากที่ไม่ได้บวชพร้อมกับพระโพธิสัตว์ทุกที่สองม้าก็มาตายนีจจามีแต่ความเสียใจสำหรับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็ดูตอนบ่ายแล้วกัน